ถ้าเราสามารถวันหนึ่งหนึ่งให้จิตของเราได้มีโอกาสรู้เห็นความจริงอย่างนี้ความสำคัญตนความสำคัญตนความสำคัญผิดความทุกข์บางอย่างที่เกิดจากความสำคัญตนจากความเป็นตนของเราเนี่ย ที่มันมาจากมานะทิฏฐิอุปาทานมันจะเบาลงไปเลยเพราะจิตท่องเที่ยวอยู่ในกายนาครนี้สัมผัสกับความเป็นจริงอย่างนี้มันมีความเป็นจริงอย่างนี้แต่อุปาทานและกิเลสทั้งหลายมันหลอกลวงเราให้เราไปสำคัญหมายให้เห็นว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็พยายามจะหลอกให้เราเห็นว่าเที่ยง เอามันแปรปรวนเสื่อมสิ้นมันแ ป, ปรปวนเป็นธรรมดามันก็จะหลอกให้เราเห็นว่าไม่แปรปรวนตั้งอยู่ชั่วกับชั่วกันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมันก็จะหลอกเราให้เราเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนเออแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้บ่อยๆไอ้มานพวกนี้มันจะหลอกเราไม่ได้อืม ที่เราต้องเถียงโศกเสียงกันแทบเป็นแทบตายกับเรื่องบางเรื่องพอเรามาพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้เราจะเห็นมันว่าเป็นอะไรหวยไร้สาระสิ้นดีถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราจะตายเรานึกถึงย้อนหลังกลับมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่ต้องตบกับคนนั้นตีกับคนนี้ด่ากับคนโ น, น้นแย่งกับคนนี้พ่าวันที่เราจะตายเราจะเห็นว่าไอ้ตอนนั้นอนะไร้สาระสิ้นดีอืม การพิจารณาอย่างนี้ให้สัมผัสกับความเป็นจริงอย่างนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมารพวกนี้ก็จะทําร้ายเราไม่ได้เราก็จะอยู่สบายการพิจารณาความจริงนี้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นต่อชีวิตของเราถ้าเราทําประจำประจำเราจะยอมเราจะเกิดอาการปลงและจะเปิดอะไรจะเปิดปัญญาอม จะทำอะไรให้เกิดกเราอ่ะไอ้กิเลสไอ้มารทั้งหลายเหล่านี้มันทำให้เราเป็นยังไงอันทะกรณาทำให้เรามืดแต่ตัวนี้มันทำให้เกิดความสว่างด้วยความเป็นจริงไอ้ตัวมารมันทำให้เราอจากักกุกรณาไม่มีตามองไม่เห็นแต่การพิจารณาตัวนี้มันจะเปิดดวงตาให้กับเราทำให้เรามองเห็น ตัวมารพวกนี้มันทำอะไรอีกมันจะทำให้เราปัญญานิโรธยาดับปัญญาของเราโอกาสปัญญาที่จะเกิดไม่มีแต่การทำตามพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการท่องไก่นครนี้มันจะเป็นตัวเปิดปัญญาให้กับเรามารพวกนี้ถ้าเรายอมเขามันจะสร้างให้เป็นไปขวบฝ่ายในความคับแค้นในใจของเราแต่ละคน มีความอึดอัดอัดแน่นไปด้วยอะไรไปด้วยเรื่องราวเยอะแยะมากมายตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตขับอกขับใจกันอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าขับแค้นไม่มีพื้นที่ของใจพอที่จะให้มันมีความสุขจริงๆสักอย่างนี่มานี่ดีนะเดี๋ยวพอเลิกปับ๊บเดินลงไปยังไม่ถึงพื้นล่างเลย ไอหลานคนเล็กมันก็โทรมาบอกก็รอยายนานแล้วก็ต้องรีบตะเกียรตะกาใเลเห็นไหมมันต้องรีบไปตนองรีบไปเพราะมันคาอยู่ก้นงอยเยอะมากเยอะมากเยอะมากมันเลยคับอกคับใจพื้นที่ของใจถูกไอพวกมารพวกนี้ยึดเข้าไปหมดเราเรียกว่าวิคขาตาปัจกกาคือเป็นไปในกวักควายแห่งความกับแค้นวันวันคืนคืนเวลาแต่และว่วงไม่มีอะไรเลย ไหนจะคนนั้นไหนจะอันนั้นไหนจะสิ่งนั้นไหนจะเรื่องนั้นเต็มยัดอยู่ในพื้นที่ใจเราทั้งหมดเนีย่ยความคับแค้นเรียกขับอกขับใจไปหมดไม่มีโอกาสแต่ถ้าพิจารณาแบบนี้มันคลายออกมาจากความคับแคนมันทําพื้นที่ใจของเราให้มันโลง่งให้มันโปร่งให้มันเบ า, ใ ห, เบาให้มันสบายขึ้นและในสุดท้ายถ้าเราพิจารณาอย่างนี้พระพเจ้าว่านิพพานะ สังวัตนิกามันเป็นไปในเส้นทางเพื่อพระนิพพานอืมแต่มานพวกนี้มันเป็นอะนิพพานะสังวัตนิกามันเป็นไปเพื่อการไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเลยอืมนี่เรียกว่าท่องเที่ยวกายนานครสนุกไหมละ่ะนี่ไปแค่ 19สถานีแล้วก็บางสถานีก็ไม่จอดเนอะบางสถานีก็ไม่จอดข้ามไปอย่างเช่นว่าวิ่งรวดเดียวไปสีห้าสถานียังมีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุน้ำคือดีเศรษหนองเลือดเงือ มันก้นน้าตาเปลวใหม่น้ําไายน้ํามูกน้ําไข่ข้อน้ํำมูดอืแล้วการท่องกายเหล่านี้เราจับธาตุใดธาตุหนึ่งอันใดอันหนึ่งให้มันเป็นกายในกายจิตพอเรารู้ลมหายใจไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็มาพิจารณาที่มันพิจารณาได้ง่ายๆพิจารณาไปเถอะในเรื่องของตนเองที่เป็นกายใดกายหนึ่งเรียกว่ากายในกายพิจารณาไปที่พิจารณาไปแล้วมันจะเกิดประจักษ์ชัดจริง เมื่อปรากฏประจักษ์ชัดจริงกายใดกายหนึ่งในกายนี้มันจะกระจ่างสว่างไปทั่วทั้งกายเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกันกายในกายนี้มีกายไหนที่เกิดจากธาตุสีเนี่ยมีกายอันไหนที่มันเป็นอัตตามังไม่มีมันเหมือนกันหมดเลยมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางในขณะตั้งอยู่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปลน เสื่อมสิ้นพิบัติเกิดขึ้นและในที่สุดก็หายไปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แต่เราจะต้องเข้าไปรู้ด้วยจิตที่มีสติและสมาธิตรวจตราเข้าไปให้มันแยบคายแบบนี้นั่นเมื่อกี้นั่งพิจารณากายรู้สึกไหมเวลาเราท่องกายเล็กๆ ดูกายใหญ่เสร็จแล้วก็ดูกายเล็กแต่ละกายแต่ละกายรู้สึกไหมว่าเวทนามันหายไปมีน้อยมากความเจ็บความปวดความเมื่อยที่จะเกิดขึ้นกับเรานียรู้สึกไหมว่ามันน้อยไปเวลาที่ใช้ในการเที่ยวในกายนครเมื่อตะกีน้นี้เป็นเวลากี่นาทีหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมล่ะ จากบ่ายสองถึงบ่ายสามมงสิบนาทีเราก็เริ่มเมื่อตอนบ่ายสองห้านาทีเจ็ดนาทีเนี่ยตอนนี้บ่ายสามโมงสิบนาทีก็หนึ่งชั่วโมงอีกเหมือนกันเอเอสบายแล้วต่อไปนั่งสมาธิชั่วโม ง, งสองชั่วโมงที่นี่นั่งสบายมั้ตอบคําถามกันบั่งมีคําถามอะไรก็ถามกันมาได้ ความม่วงสังเกตไหมหายไปเลยเป็นปิดทิง้งเวลาเราดูกายเพราะอะไรเพราะมันย้อนแย้งกับอุปท า, านในใจของเราเรารับไม่ค่อยได้ความจริงพวกเนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ไป บ, บ่อยๆเวลาเราไปเห็นซากศพเห็นตับเห็นปอดเห็นเวลาเราไปเห็นซากศพตัวนี้มันสะดุ้งกลัว แต่ถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงของตัวเราเองอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, เ ร, อยๆเราไปเห็นซากศพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดความสะดุ้งกลัวนี่คือการพาใจตัวเองเข้าหาความจริงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อรู้จักความจริงแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดีวมีคำถามไหมถามนะกำลังสลดหดหูอยู่การฝึกจิต ไม่ใช่เรื่องของบุญกุศลในความหมายนี้ถ้าเรานั่งเพียงเพื่อเอาบุญเพราะเราเข้าใจว่าบุญเนี่ยพอเราทําปับ๊บมันจะเหมือนกับมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจดบุญเราไว้คือเหมือนกับมีกล่องบุญอยู่กล่องหนึ่งฮะถ้าเรานั่งสมาธิได้ห้าทีเขาจะไปเขียนไว้ยอดในกระปุกบุญถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถามว่ามันมันได้ไหมก็ทําไปเถอะ เพราะดีกว่ามันประโยชน์ในกระปุกไม่ดีหยอดกระปุกบุญดีกว่ายอดกระปุกบาปก็ทำไปเรื่อยๆอยก็เป็นอุปนิสัยเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เห็นผลแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจริงๆการฝึกจิตนี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หมายความว่าใจเรามีสนิมเหมือนกับเหล็กที่มีสนิมจับโยง สนิมหรือมณทินแห่งใจสามชั้นชั้นนอกเรียกว่านิวร์ชั้นกลางเรียกว่าอ่าชั้นนอกเรียกว่าอภิชาชั้นกลางชั้นลึกลงไปเรียกว่านิวร์ชั้นลงไปอีกเรียกอาสวะลึกลงไปอีกเรียกอนุใสเยอะแยะไปหมดเนี่ยเหมือนกับมีสนิมที่จับอยู่มีสนิมหยาบสนิมกลางสนิมละเอียดที่เกาะจับแท่งเหล็กอยู่เนี่ยเราจะทําแท่งเหล็กนี้ให้สะอาด จ, จะต้องทําอย่างไรก็ต้องขัดสนิมใช่ไหม ต้องเอาเครื่องมือมาขัดสนิมขัดไปสนิมที่จะถูกขัดออกไปก่อนก็เป็นสนิมหยาบๆก็ขัดไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆยิ่งขัดมากเท่าไหรเหล็กก็จะสะอาดมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดสนิมก็หมดไปจิตนี้เหมือนกันเนั้นการเจริญจิตภาวนาฝึกฝนจิตก็คือการชำระชะล้างจิตเนี่ยให้มันสะอาดนั้นการนั่งสมาธิใช้เวลาให้นานใช้เวลาให้มากทําให้ถูกวิธีทําให้บ่อยทําให้มากๆทําให้บ่อยๆก็ จะได้ประโยชน์มากแต่อันเนี้ยที่พดท่ิยมบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธินั่นคือการฝึกและทีนี้เราก็ต้องหันมาดูในการใช้ชีวิตจริงฝึกเพื่ออะไรเพื่อไปใช้ในชีวิตจริงไงในชีวิตจริงนี่ให้มีสติรู้อยู่กับตัวสเสมอพยายามดึงสติมาอยู่ที่กายอยู่ที่ลมไว้แล้วก็เคลื่อนไหวด้วยการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาให้ได้มากที่สุดนั่นคือการต่อ ย, ยอดจากการฝึก เราฝึกเพื่อไปใช้ในสถานที่จริงนะะเหมือนกับมาที่นี่อ่ะก็เหมือนกับเกณฑ์ทหารมาเห็นไหมมาถึงก็ฝึกฝึกฝึกกกึกเพื่อให้มีอะไรให้มีสติสมาธิและปัญญามีอุเบกขามีความนิ่งอยู่ที่จิตแล้วออกไปจากนี่ไปเนี่ยก็ต้องไปใช้แล้วทีนี้ก็ใช้แล้วใช้แล้วเหมือนทหารที่เขอาไปฝึกอ่ะถ้าเข้าไปถึงเรียกชื่อเข้าไปถึงไม่ต้องฝึกเลยโยนปืนให้คนแล้วก็บอกเนี่ย มันไปรบจะชนะปะไม่ชนะรแล้ อ, อสัญชาติยานในการป้องกันตัวก็ไม่มีไม่สามารถชนะได้มันก็ต้องฝึกนี่ของเรานี่ยเราเรียวกว่ามาฝึกจริงๆอ่ะคือชีวิตข้างนอกที่บ้านตามฐานะที่ตัวเองอยู่ในฐานะย่าฐานะยายฐานะแม่ฐานะลูกฐานะพี่ฐานะน้องฐานะลูกสะพ้ายตัวเราแต่ละคนนี่โอ้หลายสถานะเอาใครที่เป็นฐานะแม่ยกมือ เนี่ยเห็นไหมนอกจากฐานะแม่ฐานะภรรยายกมือยังมีเอีกนอกจากฐานะภรรยาแล้วฐานะรู้สะ้ายยกมือไม่มีแล้ไายหมดแล้วเออ <laughs> มันเยอะอ่าแต่ละสถานะนะเข้าใจบ้างหรือเพราะฉะนั้นเราท่าต้องมีท่าทีที่เหมาะสมต่อฐานะทุกๆสถานะของเรา เนี่าไม่ใช่มาโอ้ยมาเจออาจารย์สุชีพเจริญสติเสร็จแล้วกลับไปถึงไอ้โน่นกูก็ไหมเอาไอ้นี่กูไม่เอาไม่ใช่เดยหมายความว่าต้องทำทุกทุกฐานะที่ตัวเองมีให้มันดีถูกต้องด้วยการเอาสติสมาธิและปัญญาที่ฝึกฝนเนี้ยไปใช้เช่นอยู่กับลูกปกติ นั่งอยู่ที่บ้านพอลูกกลับมายังไม่ทันพูดกันเลยทะเลาะกอันแล้วทะเลาะกอันแต่ยังไม่ทันพูดนะไอแม่ก็เริ่มงอนไอลูกก็เริ่มหนีแต่พอมาฝึกเจริญสติมีสติสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วลูกยังไม่ทันถึงบ้านเลยยิ้มรับแล้วอ่าเพราะมีสติแล้วนี่ไม่มีการปรุงแต่งที่จะให้เป็นอกุศลถูกปล่าลนี่คือการฝึกในชีวิตจริงทุกอย่างต้องดีขึ้นเมื่อสติสมาธิและปัญญา แต่ถ้ากลับไปถึงบ้านนะตอนแต่ก่อนอยู่บ้านนะโอ้ยถูบ้านกวาดไก่หย่ า, ยาล้างจานทำกับข้าวหุงข้าวจัดสถานที่ตกแต่งออ้ยแอคทีฟรวดเร็วว่องไวพอมาเจออาจารย์ยรยยรยยทุ่ซีพจะเจริญสติกลับไปถึงบ้านค่อยๆเดินค่อยๆจับดอกประสิทธิภาพลงมาไม่ถูกไอ้นั่นนะเพลทเขาจะดูถูกอาจารย์อรอนะ เออมันต้องเอ็กทีฟว่องไวรัด ก, กุมถูกต้องและก็มีความผิดพลาดน้อยเพิ่มขึ้นนั่นเรื่องของสติมีอะไรจะถามไหมาาาอาจารย์คาบว่าเวลาดูลงใจแล้วพอเวลาถออกไปคิดก็นึงกลับมาที่ลงให้ทําอย่างนี้ไปแล้วที่สุดมันจะถึงยังไรล่ไม่ใช่ไปแค่ระยะหนึ่งระยะแรก ระยะแรกมันจะเกิดความคิดขึ้นมาเวลาเรารู้ลมหายใจแล้วออกไร่ข้าเนี่ยระยะแรกพอมันความคิดมันเกิดขึ้นมันก็หลุดออกไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรดึงกลับมาที่ลมหายใจแล้วก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆพอรู้นี้เริ่มแข็งแรงขึ้นรู้นี้เริ่มแข็งแรงขึ้นถ้ามันมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะเห็นความคิดนั้นตอนแรกอ่ะมันรู้มันรู้ควบกันอยู่กับลมหายใจและก็ความคิด แต่เมื่อเราดึงกลับมาเรื่อยๆให้รู้ลมหายใจเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาต่อไปมีความคิดเกิดขึ้นที่จิตเื่อนปั๊บจิตมันจะเกิดการเห็นเรียกว่าเห็นที่เกิดจากการรู้เห็นตัวนี้สำคัญมากพอเห็นความคิดเกิดขึ้นจิตก็เห็นตามความเป็นจริงว่าความคิดเกิดขึ้นก็เห็นว่าความคิดเกิดขึ้นความคิดดบไปก็เห็นว่าความคิดดบไปแล้วก็เห็นอย่างนี้ก็กลับมารู้ลมหายใจต่อไปเรื่อยๆ เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้มันจะกระชั้นก็ามาแรกๆมันจะเห็นความคิดนี่ตั้งอยู่แล้วไม่ได้เห็นมันเกิดมันตั้งอยู่อยู่ๆ ม, มันมีความคิดแล้วก็ก็พอเห็นพอนานเก้านานเก้ามันเห็นความคิดตั้งแต่เกิดแล้วก็ดับเมื่อใดที่เห็นความคิดดับไปเนี่ยให้ชัดลงไปในการเห็นนั้นว่าความคิดนั้นดับแล้วมันเหมือนกับเรารู้เรื่องราวของความคิดดวงหนึ่ง ที่มันเกิดและดับไปแล้วมันชัดเจนเพอคนนี้เห็นชัดลงไปว่ามันดับไปแล้วมันก็จะสะสมการเห็นการดับของความคิดไว้ที่จิตเราตัวนี้จะเป็นปัญญาที่แท้จริงเล้วจะ น, นําไปสู่นิพพานเมื่อเห็นมากไปเรื่อยๆอาจะพูดได้ถึงนิพพานก็นได้เมื่อเห็นตัวนี้เห็นการดับไปของสภาวะอย่างประจักษ์แจ้งกับจิตอย่างนี้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้สภาวะทุกตัวที่เกิดขึ้นกับจิต จิตก็จะเท่าทันการความเป็นจริงของทุกๆสภาวะแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้ก็เกิดขึ้นดับไปอันนี้ก็เกิดขึ้นดับไปอันนี้ก็เกิดขึ้นดับไปจิตก็จะคลายตัวกลับมาตั้งมั่นพอตั้งมั่นเสร็จเห็นทั้งหมดแล้วว่ามีการเกิดขึ้นดับไปจิตจะคลายจากอุปทานไม่ยึดถือและก็เกิดการเบื่อนหน่ายเห็นไหมการรู้การเห็นการตามการรู้การเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะทุกตัว จิตจะเบื่อหน่ายในทุกๆสภาวะแล้วพอเบื่อหน่ายมันก็จะคลายความกำหนัดเรียกว่าวิราคะพอคลายความกำหนัดก็ไปคลายความกำหนัดหมายความว่าไม่มีความพอใจหรือถูกใจหรือชอบใจหรือฉันทะมีแรงจิตที่จะไปพุ่งหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหยาบทั้งกลางจิตมันคลายออกมาหมดเรียกว่าวิราคะเนี่ยคลายออกมาหมดเลยมันก็จะพ้นจากการพ้นจากสิ่งที่ถูกยึดทั้งหมด ไม่มีอะไรจิตก็จะเป็นอิสระขึ้นมาเมื่อจิตเป็นอิสระขึ้นมาตัวนั้นเรียกว่าวิมุตและมันก็จะรู้ชัดในความเป็นอิสระของจิตนะขณะนั้นเขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะพออย่างไรทีเนี้ยนจะไปถึงไหนทีเนี้ยพอวิมุตติญาณทัศนะรู้ความที่จิตมันพ้นพ้นจากสิ่งยึดทั้งปวงแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ต่อไปอีกนะมันยังมีอีกนะเช่นรู้ว่า ปัจจัยที่จะลากจิตนี้ให้เกิดการปรุงแต่งเข้าไปสู่ทุกข์ไม่มีแล้วเรียกขี่นาชาติรู้ต่อไปอีกอุสิตังพระมจจริยังรู้ว่าสิ่งอันประเสริฐที่พระยายามบำเพ็ญมานั้นสุดสิ้นแล้วเนอยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมฮะรู้อีกกะตังกรณียังรู้ว่ากิจที่ควรจะต้องทำนั้นไม่มีแล้ว อ, อีกไหม อ, อีกเปล่าอ่ะนาปรังอิทตายาติปชานาตีติกิดเพื่ อ, อย่างอื่นกิดกิดอันอย่างเนี้ยไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นอีกแล้วเออ จะเอาอะไรอีกอะเออออกก็ต้องทำต่อไปเหมือนท่านัญญากุณทัญญาท่านฟังสามโงครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวาวเดี๋ยวยาวไปสี่โมงมอ้าวมีคำถามอื่นไหมอ้าจะกลับแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะอืมไม่มีคำถาม วันนี้ก็พอทุมควรแก่เวลาอนุโมทนาภาคบ่ายในการปฏิบัติตั้งสองช่วงทุกคนก็ทำได้ดีมากวันนี้ขออนุโมทนา ช, น ช, ชื่นชมชื่นชมชื่นชมชื่นชมบางคนแข้งขาก็ไม่ค่อยดียังอุตส่าห์มานั่งกับขอได้เป็นชั่วโมงใช้ได้ <laughs> เรียกว่ายอมตายและสุดท้ายมันก็จะดีนะ ขอคุณพระศีรษะนาไตรบุญกุศลทั้งหมดทั้งทิ้นรวมกันเป็นมหาเตชะมหาปัจจัยให้กับพวกเราทุกๆคนที่เข้าร่วมปฏิบัติในวันนี้ประสบในสิ่งที่ประเสริฐปรารถนาสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยธรรมแล้วให้สิ่งนั้นๆสำริดสำริดสำริดตามมาโนรุของแต่ละคนแต่ละท่านเธอ